เทศธรรมปากไม่ได้ตั้งนโมงทะลุนอกน้อมต่อปพูดพทธเจ้าก็ทำพระสงฆ์แล้วก็อธิบายไปเลยทีเดียวท่านผู้ฟังก็กระุนนานั่งตามสบายทำความสงบใจไม่ต้องประนมมือก็ไม่เสียความเคารพขอให้ใจเคารพทำอยู่ภายในภายในความรู้สึกคือใจหรือไมใ่ใจส่งไปในที่ต่างๆตามปกติของใจ คิดไปอย่างนั้นเสมอในขณะที่ฟังธรรมออพิรุณาให้ความรู้สึกคือใจนั้นอยู่กับตัวการฟังเสียงอัดฉันทำก็จะชัดเจนขึ้นจิตเมื่อได้รับความสัมผัสจากธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีอะไรเข้ามาแทรกจิตไม่มีทางที่จะแยกออกไปสู่อารมณ์ภายนอกเพราะความสัมผัสหางธรรมสืกเนื่องกันอยู่โดลำดับแล้ว ใจก็จะมีความสงบลงไปใจที่สงบลงไปนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะให้เรารู้ความแปลกประหลาดของใจถ้าไม่มีความสงบเลยความแปลกของใจก็ม่มเราผ่านโลกมานาน ทุกๆคนพอได้โผล่ออกมาสู่ความเป็นมนมุษย์ก็เริ่มผ่านโลกมาโดยลหดับจ น, นกระทั่งถึงบัดนี้เป็นเวลาหลา ย, ลายเดือนหลายปีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเราคือใจนี้เราก็ได้รับสรางมาโดยลาดับ ทั้งดีทั้งชั่วทั้งได้ทั้งเสียทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสรรเสริญสัเสรินินทาเพราะโลกเต็มอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ทีนี้การเรียนทมการศึกษาทำการปฏิบัติทมเพื่อผลประโยชน์อะไรนี่เป็นปัญหาอันหนึ่งที่ควรจะคิดอ่านกันเพราะศาสนานั้น ตามหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าเป็นคู่ควรแก่มนุษย์ยิ่งกว่าภูมิใดใดทั้งหมดแม้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แต่และองค์ก็ต้องมาตรัสรู้ในแดนแห่งมนุษย์นี้ไม่ไปตรัสรู้ที่อื่นการประกาศสอนธรรมก็สอนลงที่แดนแห่งมนุษย์ก่อนอื่นแล้วแสดงอย่างเปิดเผยก็แสดงแก่มนุษย์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 ยึดเครื่องเหนียวเครื่องอาศัยของเราทั้งนั้นโลกทั้งหลายส่ะแสกันถือเป็นสิ่งสาคัญเพราะร่างกายจิตใจได้อาศัยสิ่งเหล่านี้หากไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องสลายไปโดยไม่ถึงการเลยวันหนึ่งเราที่ไม่เคยอดอาหารลราลองอดดูสักวันจะเป็นยังไงบ้าง เราเห็นคุณค่าของอาหารมากมายก่ายกองในวันที่เราอดอาหารแต่ท้านกับทานอยู่ที่จิตจับจับทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหิวโหวยเลยนั่นอาหารก็ไม่ค่อยสำคัญพรนไม่ค่อยหิวเรื่องอยูเรื่องกินเลยกลายเป็นเรื่องสนุกสนานไปเสียก็ไม่มีอะไรสำคัญเพราะตัวเราไม่มีความสำคัญหาความทดสอบตนได้ยาก นี่หากเราได้มาอดอาหารเพียงวันหนึ่งเท่านั้นอาหารจะมีความจำเป็นอย่างไรบ้างคิดหน้าหนาเราลองอดไม่ต้องห่มผ้าสักคืนหนึ่งเราจะเห็นความจาเป็นของผ้าเพียงไรเห็นคุณค่าของผ้าเพียงไรแล้วคืนหนึ่งไม่ได้นอนนี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งการหลับนอนมากน้อยเพียงไรถ้าหากเราตั้งข้อสังเกตใน่จริงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรา เงินทองเข้าของที่เราช้าอยู่ในบ้านเรือนของเราแต่พ่ อ, อยางยิ่งเงินแม้อยู่ในบ้านก็ยังติดกระเป๋าเราอยู่ได้ออกจากบ้านไปต้องติดแนบไปเลยมากน้อยตามความต้องการของตนที่เห็นว่าจะเพียงพอกับความจําเป็นถ้นาไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะทํายังไงต้องการอะไรก็ไม่ไม่ได้เพราะไม่ ม, มีเงินไม่ได้ติดตัวไป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 ทั่วโลกดินแดนเพราะอะไรปรพก อ, อ, อสิ่งจำเป็นเหล่านี้ธาตุขันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากแม้จะเล็กๆ ก, ก็ตามภูเขาทั้งลูกไม่ได้มีความจำเป็นอะไรกับโลกทั้งหนาแต่ธาตุขันของแต่ละรายละลายคือของแต่ละคนนี้มีความจำเป็นต่อตนมากเพราะเป็นภาระสาคัญที่เราจะต้องรับดูแลรักษาคือรับผิดชอบตลอดมาตั้งแต่วันอุบัติจนกระทั่งถึงวันสลายวายชนลงไป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 ความมีหัวจะแสดงขึ้นมากมาถึงไรแล้วอาหารจะมีคุณค่ามากจึงไหนนี่ทีนี้ย้อนเข้ามาถึงย้อนเข้ามาถึงศางสนาศาสน า, าที่ม่ามีความจำเป็นบ้างไมจ่จมเป็นบ้างสาหรับบุคคลหรือไม่มีความจำเป็นเลยสาหรับบุคคลนี่เรามีเหตุผลอย่างไรเราถึงได้คิดอย่างนั้นที่อื่นเราเห็นเป็นความจาเป็นด้วยกันทั้งนั้นดังโลกที่มีความจำเป็นทั่วหน้ากันดังที่กล่าวมาแล้ว ศาสนามีความจำเป็นอย่างไรบ้างศาสนาก็คือเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจหรืออาหารทิพอาหารธรรมนามาทมเป็นอาหารของใจนี่เป็นความจำเป็นหากว่าจำเป็นแล้วพระพุทธเจ้า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 การแก้กิเลสแก้ความยุ่งเหยิงแก้ความวุ่นวายทุกประเภทต้องแก้ด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าศาสนาถ้ามามีอันนี้ก็แก้ไม่ได้ทันหลับทางด้านจิตใจเราจะเงินทองเข้าของไปแก้จะมีมากน้อยเพียงไรก็เป็นกองเงินกองทองอยู่เช่นนั้นกองทุกข์ก็เป็นกองทุกข์อยู่ภายในใจกองสมบัติก็เป็นกองสมบัติอยู่ภายในใจไม่มีทางที่จะแก้ไขกันได้เลยสัหลับทุกทางใจแต่ธรรมะนี้สามารถที่จะแก้ รื้อ ล, ล้างความทุกข์ภายในจิตใจให้หมดไปได้โดยลําดับเพราะฉะนั้นทำจึงเป็นสิ่งจําเป็นทั่วโลกดินแดนถ้าต้องการความสุขความเจริญเช่นเดียวกับโลกทั้งหลายนอกจากจะไม่มีความรู้สึกใดๆเช่นเดียวกับหัวตอ่อเท่านั้นศาสนาก็ไม่จําเป็นเพราะหัวต่อรับศาสนาไม่ได้ทำบาปทําบุญไม่เป็นในนรกสวรรค์วิภานติดคุกติดตารางก็ไม่เป็นเพราะหัวตอ่อแต่เราไม่ใช่หัวตอ่อเราเป็นคนทั้งคน เรื่องของศาสนาจริงเป็นเรื่องจำเป็นสาหรับเราถ้าเราจะพิจารณาตามทางเหตุผลในความรับผิดชอบตนเองแล้วศาสนากับเราก็แยกกันไม่ออกเราคือศาสนาศาสนาคือเราเพราะเห็นอะไรถึงว่าอย่างนั้นศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรท่านสอนในทางที่จะเป็นเป็นไปเพื่อความปลอดภยัยจากตัวข้างเราเราเองในเมื่อการแสดงออกวัาจะแสดงออกไปในทางไหน ทางดีหรือชั่วที่จะให้เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาต้องอาศัยแนวทางของศาสน า, าเป็นเครื่องพาให้เดินแม้งั้นลำพังเรามันก็เดินไม่ถูกคนเราต้องการความสุขความเจริญด้วยกันแต่ไปโดนตั้งแต่ความทุกข์ความทุกข์เพราะเหตุอะไรก็เพราะเดินไม่ถูกาศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง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 นั่นแหะคำว่าทมนั่นแหละสำคัญมากาศาสนาทำคําสอนคือดึงออกมาจากทมนั่นแหละมาเป็นรูปเป็นหมายป้ายทางออกไปเป็นแบบแปลนแผนผังแสดงออกมาเป็นลักษณะท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นฝ่ายเหตุให้ทาอย่างนั้นให้ทาอย่างนั้นแล้วจะประสบพบเห็นผลอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ผลก็คือทำผลอันแท้จริง แล้วจิตใจของเรามีความต้องการความสุขความเจริญอยู่ตลอดเวลาและมีทางที่จะก้าวไปอยู่โดยลําดับไม่มีการยับยัง้งว่าจะไม่ไปมาสู่ภพนี้แล้วก็ไม่อยู่ยังต้องคิดต้องพุดเรื่องนั้นเรื่องนี้โลกนั้นโลกนี้เรื่องบุญเรื recibir, ่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดคิดไปตลอดเวลาไม่ได้หยุดได้อยู่กับอยู่กับตัวนี่คือตัวตัวแสแวง ตัวตั้งหน้าเดินอยู่ตลอดเวลาแต่วกเวียนไปอยู่นั้นพ่อหาทางออกไม่ได้คิดเรื่องอะไรแม้จะเป็นเรื่องความไม่ดีก็ยังต้องจําให้คิดจําให้ชอบให้ชิดอยู่บ่อยๆแล้วก็มีความทุกข์อันเป็นผลเกิดขึ้นมาสู่ตนเสมอหากว่ามีแนวทางแห่งธรรมเป็นเครื่องทำสอนไว้เราจะหาอุบายละเบนจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลยมนุษย์เราจึง เป็นผู้ควรอย่างยิ่งกับศาสนาสอนให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาครู้วิธีปฏิบัติต่อตอนเองเพราะมนุษย์มีความฉลาดยิ่งกว่าสัตว์ประเภทใดๆทั้งหมดศาสนาจึงควรแก่นมนุษย์เราที่เราเป็นมนุษย์ทั้งคดแล้วศาสนานั้นเป็นอย่างไรกับเราวัานคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปล่วงไปความรู้สึกของเรามีอย่างไรบ้างที่จะ ตั้งหลักตั้งฐานอันเป็นสริงแน่นหนามั่นคงคือสารักคุณขึ้นภานในจิตใจแล้วได้สร้างมากน้อยเพียงไรอะไรจะมีความสมบูรณ์ก็ตามสิ่งนั้นก็สมบูรณ์แต่อันใดที่บกพร่องเช่นสาเช่นธรรมเป็นเครื่องบกพร่องภายในจิตใจใจต้องจะต้องมีความบกพร่องหรือเสมอทั้งทั้งที่สิ่งทั้งหลายมีอยู่เมื่อเป็นฉะนั้นจุดนี้เราก็ควรจะแก้ไขหรือส่งเสริมให้มีขึ้นมากเมื่อมีขึ้นมาแล้วก็ดี <bulbs distant> <ations>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 เราเกิดได้ข้นขวาแต่จิตของเราซึ่งเป็นตัวแสดงและครอยอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเดือนเดินนั่งนอนนี้เรายังไม่ค่อยได้พิสูจน์กันามันคิดเรื่องอะไรบ้างมันคิดหายาพิษหรือหาภัยอะไรมาเผาหล่นตนเองทั้งวันทั้งคืนนี้เราไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยหาวิธีแก้ไขและไม่สนใจที่จะแก้ไขจึงต้องแบกแต่ทุกข์ทั้งวันทั้งคืนเดือนเดินด น, ด น, นั่งนอนไม่ว่าจะเป็นชาติท่านมันณใดก็ตามหลีกเล้นความทุกข์เหล่านี้ไม่ได้เพราะจิตเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยกัน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 คิดจะปรุงอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าใจแต่เมื่อได้อาศัยหลกักธรรมมีสติเป็นต้นและมีคําบริกรรมแห่งคำคำใดคำหนึ่งเช่นพุทโธหรืออนาปาณะติเป็นต้นเข้าเป็นเครื่องกำกับใจให้มีสติรับรู้อยู่กแบบับคําบริกรรมนั้นๆไม่เผลอไปสู่อารมณ์อื่นๆใดทั้งหมดในขณะที่ทํานั่นแหละจิตจะได้รับความสงบลงเพราะทำหมดนั้นๆด้วยสติควบคุมเมื่อใจมีความสงบแล้วเราก็จะเห็นสาระคุณขึ้นภายในตัวของเราเอง แล้วเราจะได้เห็นโทษแห่งความเพ้อร้อนแห่งความไม่มีหลักมีเกณฑ์ของตัวเพราความไม่มีหลักมีเกณฑ์ถ้าเรายังไม่มีสิ่งเทียบเทียงหรือไม่ไม่มีหลักประกันบ้างเล็กน้อยมันก็ไม่ทราบอะไรดีอะไรไม่ดีมันต้องมีสิ่งมาเทียบเทียงมาเป็นคู่แข่งกันมีแต่ร้อนทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยเห็นความเย็นเลยเราก็ไม่ทราบว่าร้อนเนี่ยมันดีหรือไม่ดี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 นี่ไม่เคยหายไปไหนเราจะหาโอกาสกับสิ่งเหล่านี้เราได้ทุกเวลานั่นแหละนอกจากเราไม่หาถ้าเราไม่หาเราถึงวันเวลาโอกาสจะมีอย่างไรก็ตามความจนกรอบก็อยู่กับเราความจนมุมอยู่กับเราหาไม่ได้เวลาไม่ได้ถ้าเราจะแก้ปัญหานี้ให้ตกลงไปไม่มากก็ตามพอได้สะดุดใจบ้างพอควรจลุกขึ้นมา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 ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตายแล้วนิมนต์ภาพคุชลาธรรมมายกันไปข้ามไปสวรรค์นิพพานซะจนหมดหลังนั้นจะมาปฏิบัติศาสนาให้หนักให้ลําบากทําใหม่เช่อย่างหลวงตาบัวนี่ก็เหมือนกันไม่มาบวชให้เสียเวลาเวลาลําบากลําบนเหลือเกินตายแล้วก็จืบวชพระหัวตาไว้สักองค์หนึ่งพอจะยกขึ้นคนไปสวรรค์นิพพานซะให้หมดถ่ายตายกับคุศลาธรรมาคุศลาธรรมาเรื่อยยกไปสวรรค์นิพพานกันซะหมดแต่นี้มันไม่เป็นเช่นนั้นถ้า กุศลธรรมมาคือความฉลาดไม่มีอยู่ภายในติดภายในตัวแล้วจะทำยังไงมันก็อย่างนั้นละ่ะยกมาตีกมัมพีพัดไรไปดกมาสวดกันนั้นก็เท่านั้นแหละเพราะสวดเอาจากปากที่ตังหะไมนจะไปตำรัดที่เล็ดตังหาสำหรับความทั่วของคนผู้นั้นนั้นได้อย่างไงฮะทำท่านปราบที่เล็ดของของผู้บำเพ็ญธรรมตังหาีะการทำบุญให้ทานในขณะที่ตายเราไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่เป็นบุญไ ม, ไม่เป็นบุศล ถ้าจะเห็นความสําคัญยิ่งกว่านั้นก็ไปอีกบัดสร้างกุศลาคือความฉลาดให้แก่ตนเสียในบัดนี้ตายแล้วใครจะมากุศลาไม่กุศลาอย่าจะไปดิตกวิาจารอย่าไปห่วงไปห่วงกับข้าวที่เขาอุทิศให้ของเขาอุทิศให้สร้างให้พอบบตั้งแต่บัดนี้เต็มตัวไปแล้วใครจะอุทิศให้ไม่อุทิศให้ไม่สําคัญเพราะเราเต็มภูมิเราแล้วไปอย่างสบายหายห่วงนี่เป็นหลักประกันตัวได้อย่างแน่นอนเวลานี้จ้างเรามันโง่นหรือ ม, มันฉลาด ความฉลาดในใจของเราทุกวันนี้มีแต่กีเลียดพาให้ฉลาดทั้งนั้นเพราะย่านจึงพาให้เราจมเสมอด้วยความทุกข์ความลําบากถ้าฉลาดด้วยธรรมแล้วเราจะมีความคล่องแคล่วแก้วกล้ามีความผ่องใสมีความสงบเย็นใจภายใน จ, จิตใจนี่คือวความฉลาดในธรรมนาบุคคลให้รับความสงบสุขร่มเย็นทั้งปัจจุบันและอนาคตทางหน้าชื่อว่ากุศลธรรมมาพาอยู่พาไปอจริงๆการเรียนให้ ตทำคมภีร์ปนานั้นไม่ได้ปฏิเสธเรียนเท่าไรประเดียนเถอะถ้าไม่สร้างภายใจิตใจก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดแก้กิเลสอันเป็นตัวโง่อยู่ภายในจิตใจนี้แล้วแบกคมภีร์ไปห้าครับร้อยคำพีมันก็เป็นแต่คัมภีนแต่กิเลสก็เต็มหัวใจเช่นเดิมไม่เห็นมีอะไรแตกนะโอ้ยอาจารย์สอนออมาที่นี่อันนั้นเป็นเส้นพิษทางเดินสอนให้เข้ามาอย่างนี้ตัวกิเลสทันหาตัวทุกตัวภัยทั้งหลายมันเกิดที่ใจเรียนก็เรียนทั้งนุ่นแล้วก็ ย่อนเข้ามาสู่ตัวกิเลสทันหะอาสะวะนั่นเป็นชื่อของกิเลสทันหะอาสะวะที่มีอยู่ในหนังสือนั่นเป็นชื่อไม่ใช่ตัวกิเลสอย่างแท้จริงไม่ใช่ตัวผู้ก่อคกองทุกข์ให้บุคคลให้สัตว์ตัวก่ อ, อจริงๆมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนรู้แล้วถึงย้อนเข้ามาถูที่ใจจับเอาตัวมนุษย์รู้ชื่อมันแล้วตามจับตัวมันให้ใหได้ให้ทันนี่คือผู้ฉ ล, ลาดฉลาดฆ่ากิเลสฉลาดฆ่าความโลภความโกรธความหลงของตัวเองออกได้โดยลําดับลําดับก็ค่อยเบาไปเบาไป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 นอกจากกิจของเรามันปลอมหมดทั้งดวงความจริงแทกไม่ได้ท่านเรื่องความจำปลอมนั้นเข้ากันได้วันย่งค่ําความโกหกหลอกลวงนี่เชื่อกันง่ายๆแต่ความจริงไม่ค่อยเชื่อเพราะอะายเพราหูมันสกปรกเอาของสะอาดเข้าไปมันไม่เข้าใจมันสกปรกเอาของดีของจริงเข้าไปมันไม่รับถ้าเป็นของสกปรกแล้ววันย่งค่ามันรับได้ทางนั้นพันกันไปเลยยิ่งกว่าแหพันลิงหิเวลานี้กิตใจของเรามันเป็นอย่างไง มันเป็นแบบแห่พันลิงที่มันเป็นแบบไหนเราควรพิสูจน์เราเราเป็นผู้เรียนทำรรและปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีความหวังอะไรจากพวกเราเลยสาธรรมธรรมที่ประกาศวันนี้ด้วยพระเมตตาล้นล้วนเรายังไม่มีความเมตตาต่อเราแล้วก็สุดวิสัยที่ทําให้เราแทรกถึงใจได้แล้วตายแล้วก็ไปบนกองคุกอยู่ในภานในใจิตใจแล้วลงมานโลกแล้วนี่จะไปแก้ไขกองคุกข์ในโลกมันมีเหรอปฏิคุกขิจล า, างแล้วไปไปแก้ไขกฎหมายเขาได้หรือมันแก้ไม่ได้เมื่อเข้าถึงนั้นแล้วต้องแก้ตั้งแต่ยังยังไม่ถึงตัว เพ่งจะไม่ติดคุกเรียกแก้กตัวใช้ตั้งแต่บัดนี้แล้วแม้ตาเขาแก้กเสียตั้งแต่บัดนี้ชื่อว่ า, า, มามนุษย์ฉลาดนี่แท่านบอกมนุษย์ฉลาดเป็นอย่างนี้ฉลาดเอาตัวรอดฉลาดปดเปื้อนสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองให้มีแต่ความดีโดยลําดับลำดับวันคืนปีเดือนมันล่วงไปลงไปชีวิตจิตใจก็ล่วงไปลงไปสังขารร่างกายค่อยเสื่อมโทรมไปโดยลําดับดับมันจะเจริญไปที่ไหนมันจะเจริญไปถึงปัจฉาเท่านั้นมีเท่านั้นโลกอ่ะ ถ้าจะว่าวัางมันมีว่าสีว่าสุขว่าฉเฉลียวชนาะขนาดไหนก็มีแต่ความสําคัญมันหมาเอาเฉยเฉยเมาลมกันเท่านั้นเองความจริงคือความเย็นใจไม่มีติดตัวแล้ววันย่างข้ามมันก็ทุกอยู่นั่นแหละไปพบไหนก็ไปเธอเรื่องความจริงก็ต้องเป็นทุกอยู่เรื่อยไปนั่นนะหาความสูงไม่ได้ไอความเจ็ดสันปัานยอ้อนหรือความเลื่อคมคันตนเนี้ยมันหลอกเนาะเราอย่าไปหลงมันหลอกมากนะักให้ดูจิตใจตัวที่แบกทุกแบกทุกคนเนี่ยส่วนมากมันแบกแต่ทุกให้ดูตัวนี้ตัวนี้เป็นยังไงเขาว่าเราชนาหรือเราชนะจริงไหมนะ ให้ดูตัวนี้มีโลกธรรมตัวนี้ถ้าดูนี้โดยระดัแบระดับแล้วมันจะสบายหาย ห, ายห่วงตายแต่ถ้าตายไปเธอไม่ยากมันลำบากอะไรเลยเรื่องการเกิดการตายเป็นของของคู่เทียงกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกลัวเป็นไปไหนกลัวไปไห น, หไไหนมันก็อยู่กับเราเราวิ่งความตายมันก็อยู่กับเรามันก็วิ่งไปตามเฮานอนความตายก็นอนเรา น, นัง่งความตายก็นั่งฮะเฮาเดินความตายก็เดินมันเดินไปตามเราพอถึงวาระสุดท้ายแล้วตาย เคยกันตายเป็องคู่กันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้สร้างจะ อ, อันไหนที่จะเป็นไปเพื่อผลเพื่อประโยชน์แก่ตนอย่าให้เสียท่าแสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนากอดกองมหาสมบัติอยู่แต่ไม่ได้อะไรเป็นสาระแข่งสานอะไรเลยนี่ก็รู้สึกว่ามันโง่เกินไปมนุษย์เราพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดฉลาดแหลมคมที่ถุกแก้ที่เลียดจากพระองค์ได้แล้วสั่งสอนโลกด้วยพระเมตตาเราพู้ที่บรัก ข้อปฏิบัติจากท่านมาพูดปฏิบัติเพื่อเป็นสาระคุณแก่เราเท่านั้นเรายัางปฏิบัติไม่ได้เราจะหวังความสุขกานเลินจากที่ไหนจากอะไรจากโลกไหนนะมันไม่มีทั้งนั้นละคือความหมดหวังอยู่ไหนมันก็หมดหวังถ้าไม่สร้างความหวังให้ตนเองเสียดังใจที่มีชีวิตอยู่นี่คือบุคคนฉลาดฉลาดอย่างนี้และการแสดงคำนี้ก็ต้องขอภอภัยเท่นพุทโธพุทนธมให้มีความรู้สึกดีกับคําว่าพุทโธมีความรู้สึกอยู่นัน้นให้มุก เมื่อกรรมวิกรรมเราถือต่ออยู่ด้วยความรู้คือสติอยู่กับงานนี้แล้วโดวยสม่ำเส ม, มอแล้วจิความรู้สึกที่มันเคยคิดช้าในที่ต่างๆนี่ค่อยรวมตัวเข้ามารวมตัวจะเข้ามาสู่จุดนี้มีท่านที่ท่านเรียก ว, ว่าจิตสงบหรือจิตรวมหมายถึงอย่างนี้คือรวมตัวเข้ามานั่นแหละการที่เราจะเห็นความแปลกภายในตัวของเราซึ่งไม่เคยเห็นมาเลยแต่ก่อน ทั้งที่จิตก็มีอยู่กับตัวแต่ไม่ทราบมาจ eras, ิตเป็นย <The> ังไงมีแต่รู even even e ้เลอะเถือเหมาทั้งตัวนี้ว่าตัวเราทั้งหมดนี่ก็คือผู้รู้นั่นเองเมื่ออันนี้มันฉลายไปผู้รู้ก็หมดปัญหามันฉลายไปด้วยกันเป็นลักษณะอย่างนั้นคนที่ที่ที่มีความรู้สึกรู้มีความเห็นว่าตายแล้วสูญมักจะคิดอย่างนี้เพราะจับตัวตัวสําคัญนั้นไม่ได้ตัวผู้ว่ามันตายแล้วสูญนี่ไนั่นแหละคู้นั่นแหะ คุณไม่ศูนย์ผู้มันไหวนั่นแหละต่มีอันหนึ่งเข้าแทรกมันรู้ว่าเป็นเครื่องหนุนหลังมันให้เป็นความเข้าใจไปอย่างนั้นว่าศูนย์ศูนย์เสักครั้งทั้ที่คุณนี่ไม่ศูนย์เวลาเราเรียนนุปฏิบัติอย่างนี้นั้นมันเข้าสัหาตัวจริงตามมันเข้าไปตามเข้าไป เมื่างถึงตัวจริงเมื่อถึงตัวจริงด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะพูดอะไรไม่สนใจฟังเพราะความจริงก็รู้อยู่กับใจนี่แล้วที่ต้องอยากกล่าวเอนว่ า, าการเดินตรงกรมเดินที่กีดที่จะถูกนะกีดายของกันเดินตรงกรมก็เราก็เดินกลับไปกลับมาแต่ความระลึกลูกเราให้ที่จิตทางานก็ให้ทํางานอยู่ภายใน เราดังที่เคยถามเส้นสําหติพุโทโธก็เดินไปก็ให้รู้อยู่กับพุโทโธเราเดินกลับไปกลับมาก็ถูกในอาการของการเดินนั่งเราจะนั่งแบบไหนก็ได้แต่ที่ทัานนั่งขัดอะไรสมาธ์เพสหรืออะไรนันเพื่อความเสมอของร่างกายคือร่างกายของเรานี่ถ้านั่งคระเพืยงมนี้มันจะหนักทางด้านนี้นั่ง ทับทังนี้มันก็จะหนักทางด้านนี้ไม่เสมอถ้าเรานั่งขัดสมาธินี่มันเสมอความกดของส่วนร่างกายกับพื้นนึงก็มันเสมอกันทีเราจะเห็นคุณค่าในการนั่งขัดสมาธินี่ยในเวลาที่เรานั่งนานถ้าเรานั่งแล้วพอมันพอมันเหนื่อยแล้วก็พลิกเสียพลิวเสียนี่เราไม่ทราบแตาก็ เ, เห็นความสําคัญต้องการ น, นั่งขัดสมาธิเวลานั่งนานา น, นึง มันมันลงเสมอกันขณะที่กาหนด่ิว่าพุทโธพุทโแจเป็นที่จะต้องทราบตัวไหนแตกเข้ออกครับเราต้องการทราบก็ได้ก็ได้ไม่ถัดข้องไม่ไม่เป็นอุปจรกต่อกันแต่าเวลากหนดจิให้ทราบพุทโพุทอย่างเดียวอาจารย์อยู่ับพุทอย่างเดียวโดยที่ไม่รับกรียนถจงลงแตข้ออกจะไม่แตจะเป็นการที่ด่ออันนี้เป็นตามมัสั ย, ส ย, ยของนะ ถ้าจะกขอเห็นว่าอะไรสะดวกก็ก็ยึดแต่ น, นั้นไวอันนี้มันมันตามธรรมชาติสายคือกะดินแสงงเราไม่เหมือนกันเห็นเราจะตะกําหนดพุดโทโธคือกําหนดลมหายใจตามด้วยพุโทโธเนี่ยก็ได้หรือกําหนดเฉพาะพุโทโธก็ได้หรือจะสังเกตดูเฉพาะลมก็ได้แต่ส่วนมากถ้าจิตเรายังคติยังไม่ดีเนี่กําหนดเฉพาะลมนี่มันไม่ค่อยจะยึดได้หลักเท่าไหร่ คุกต้ังสากัยมำริการ